นวิปากับปัจจัยกับละมีเจดวาระเตระสกานัยในมุงเล็บสวิปากะนะปัจฉาชาตาปัจจัยกับเพตุปัจจัยอารามานปัจจัาาชชยละปุเรชาตปัจจัยกามาปัจจัยและวิปากปัจจัยมีหนึงนะหนชชหน่งวาระนาอาเสวนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระเตวีส ก, กานัยในมงเล็บสวิปากะ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 ในมุงเล็บย่อชาณทุกขนัย311นเหตุปัจจัยกับชาณปัจจัยมีสี่วาระนอารามณปัจจัยกับชานะปัจจัยมีห้าวาระละนวิปากปัจจัยกับชาณปัจจัยมีสิบเจวาระนมัคคปัจจัยกับชาณปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับชาณปัจจัยมีหวาระ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 นาปัจฉาชาตปัจัยกับละมีเจดวาระนอาเสวนปัจัยกับละมีเจ็ดวาระนกรรมมะปัจัยกับละมีเจดวาระนาวิปากปัจัยกับละมีเจ็ดวาระปัญจกนัยนปัจฉาชาตปัจัยกับวิปยุตตะปัจัยเหตุปัจัยอารมณาปัจัยและอธิปฏิปัจัยมีเจดวาระ